ธุรกิจคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงเก่งบริหารกิจการมากมายแล้วก็คิดโครงการใหม่ๆอยู่เสม อ, อเธอเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากนะและเป็นธรรมดานะคนที่มั่นใจในตัวเองก็จะเห็นว่าคนอื่นเนี่ย ไม่มีความสามารถนะเท่ากับตัวเองเพราะฉะนั้นกิจการต่างๆที่เธอบริหารเนี่ยนะก็จะควบคุมการตัดสินใจเนี่ยอยู่อยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ย่อมจะนะเหนื่อยแต่ก็อาศัยความ สำเร็จเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้ทำงานไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวก็มีคราวนึงเนี่ยโครงการใหญ่โครงการนึงเธอมันเกิดมีปัญหาพวดง่านคือว่ามันเจ๊งอะนะก็หมดเงินไปหลายสิบล้าน คนที่ประสบความสำเร็จมาตลอดเชื่อว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่เนี่ยพอเจอความล้มเหลวเข้าก็รู้สึกแ ย, ย่จนกระทั่งถึงขั้นเนี่ยขาดความมั่นใจในตัวเองเลยทีเดียวความรู้สึกแย่ความรู้สึกว่าเป็นคนล้มเหลือนี่มันสำหรับเธอเป็นเรื่องใหญ่มาก จนกระทั่งเกิดวิกฤตในชีวิตถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายเียเดียวแต่ก็ไม่ได้ทำในความรู้สึกที่เสียสูญก็ทำให้เธอเริ่มที่จะหันมาหาทางออกอเกี่ยวกับตัวเองอคนหลายคนพอเจอเหตุการณ์นี้ก็ สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมหรืยว่ากลับมาที่จะหาทางแก้กทุกข์ของตัวเองแต่ว่าเธ อ, อไม่ได้ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะได้ยินว่ามันมีโครงการอบรมนะเรียกว่ามหาวิทยาลัยชีวิตนะก็เลยสนใจนะ ลองหาเวลาไปเข้าคอสนี้ดูในคอสนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าเขาก็มีกิจกรรมที่ทำให้คนเนี่ยได้หันกลับมาทบทวนตัวเองคล้ายๆกับกิจกรรมที่พวกเราหลายคนได้ได้ร่วมนะเมื่อในช่วงสองสาวันที่ผ่านมา พอได้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยนะก็เริ่มที่จะเห็นปัญหาของตัวเองอย่างเช่นมีกิจกรรมหนึ่งเขาทำให้คนเนี่ยได้เห็นถึงจุดอ่อนข้อบกพร่องของตัวเองว่ามีอะไรบ้างนะแทนที่จะไปอมองออกไปข้างนอกแล้วก็เห็นปัญหาจากข้างนอกปัญหาเกิดขึ้นที่ข้างนอก เกิดขึ้นกับคนอื่น mm hmm. ก็หา น, น mm hmm. กลับมาเห็นว่าโอ้ปัญหานี่มันอยู่ที่ตัวเรานะทำแค่นี้ไม่พอนะ mm hmm. เขาก็ให้ทางอาจารย์เนี่ยซึ่งก็เป็นเพื่อนตมาเนี่ย mm hmm. เขาก็ให้แต่ละคนนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยได้ทําโครงงานทุกคนที่ทำหนึ่งโครงงานโครงงานที่ว่าคือให้มองว่าตัวเองเนี่ยมี จุดอ่อนมีข้อบอกพร่องตรงไหนแล้วก็เลือกมาสักหนึ่งหนึ่งอย่างแล้วก็ทำโครงงานที่เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือว่านิสัยที่เป็นปัญหานั้นนักธุรกิจคนนี้เนี่ยแกพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำเร็วเร็ ว, รวนะ แม้กระทั่งการกินข้าวเนี่ยก็เคี้ยวข้าวเร็วมากนะมื้อหนึ่งเนี่ยไม่ถึงหนาทีก็รีบไปแล้วไปไหนนะไปทำงานในระหว่างที่เคี้ยวนี่ก็คิดถึงเรื่องงานตัวคิดว่าเนี่ยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะก็เลยทำโครงงานเคี้ยวข้าวให้ช้าลงในโครงงานนี่เนี่ยทุกคนทำต้องทมทุกวัน เราก็ต้องบันทึกว่าได้ทําอะไรทําอย่างไรมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะเราก็ต้องมารายงานหน้าชั้นอย่างสม่สมําเสมอก็อาจจะประเภทอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าทําโครงงานใดก็ตามเนี่ยก็ต้องก็ต้องทำจริงจังนะเพราะทําให้ทํา ก็ไม่มีอะไรจะไปรายงานหน้าฉันไม่มีอะไรจะบันทึกนี่เธอก็เริ่มต้นจะเคี่ยวข้าวไอชาลงตั้งแต่วันแรกแเลยแลวความรู้สึกแรกที่ได้พบในช่วงวันแรกแรกคือพบ ว, ว, ว, นนะ ว, ว่าข้าวเนี่ยมันมีรสหวานนะแต่ก่อนไม่เคยสังเกตเลยว่าข้าวเนี่ยมันมีรสหวานเพราะว่าเวลาเคี่ยวข้าวนี่ก็ใจมันก็ไปอยู่ที่อื่นนะ ใจก็คิดเรื่องงานไปด้วยข้าวมีรสชาติยังไงก็ไม่รับรู้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นรสหวานที่ที่ละเอียดนะไม่เหมือนน้ำตาลเนี่ยอันนี้รับรู้ได้ง่ายก็เริ่มแปลกใจเออข้าวมีรสหวานนะไม่เคยสังเกตเลยแต่ตหลังเนี่ยพบว่าพอเคี่ยวข้ายช้าลงนะก็มีเวลาอยู่บนโต๊ะอาหารนานขึ้น ก็ทำให้ได้มีโอกาสพูดคุยนะกับคนที่ร่วมโต๊ะนะซึ่งได้แก่ลูกนะแล้วก็สามีปกติเน่เวลากินอาหารเนี่ยไม่เคยคุยกับใครเลยกินกินกินเคี้ยวเคียวเียวแล้วก็ลิดไปแต่ตอนนี้พอทำให้ช้าลงนะจิตก็เริ่มนิ่งเริ่มสังเกตคนอื่นมากขึ้นแล้วก็เริ่มพูดคุยกับลูก ทำไปทำไปความสัมพันธ์กับลูกก็ดีขึ้นแต่ก่อนเธอมีปัญหากับลูกนะลูกก็ทํางานในบริษัทของเธอแต่เธอนี่ไม่เคยไม่ค่อยไว้วางใจลูกเท่าไหร่ควบคุมการตัดสินจใจไว้กับตัวเองหมดนะไม่ไว้วางใจลูกตอนหลังเนี่ยพอเริ่มโอภาปซาใจกับลูกคุยกันเรื่องส่วนตัวมากขึ้นใจถามทุกข์สุขมากขึ้นก็มีความสนิทสนมแล้วก็มีความไว้วางใจลูก นะงานการต่างๆก็เริ่มให้ลูกเนี่ยรับไปทําบ้างนะไม่ห่วงไว้คนเดียวทําไปได้สักเดือนนึงก็พบว่ามีความเปลีป่ยนแปลงที่ร่างกายของเธอคือไอ้โรคปวดท้องแล้วโรคหายใจไม่ทันเนี่ยไอ้โรคหายใจไม่ทันนี่มันเดี๋ยวนี้ก็เป็นเงินเยอะนะคนสมัยก่อนไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่คนสมัยนี้เป็นเงินเยอะหายใจไม่ทันหายใจไม่เต็มท้องหรือหายใจไม่เต็มที่เนี่ย เป็นมานานนะนับสิบปีกินยาเท่าไหร่หาหมอยังไงก็ไม่หายแต่พอเคีย้ยวค่อยช้าลงทุกมือทุกมือพยายามที่บังคับนะให้ตัวเองเนี่ยมีสติอยู่กับการเคี้ยวไอ้อาการแบบนี้ก็หายไปเลยเอเธอเริมไป น, น, นิสง์แล้วก็เลยตั้งใจทำมากขึ้นนะก็ทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะ ก็เริ่มมีสติกับการทํากิจกรรมอื่นด้วยไม่ใช่เคี้ยวข้ายให้ช้าลงอย่างเดียวแต่ว่าทํำอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็ทําให้ช้าลงด้วยก็เพราะมีสตินะไอ้ความที่ทำไรช้าลงแล้วก็มีสติมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้เธอเนี่ยอารมณ์เย็นลงแต่ก่อนก็เคยต่อ덧อาด่าว่านะต่อว่าลูกน้อง นะแล้วก็เห็นแต่จุดอ่อนข้อเสียของลูกน้องนะทําให้ไม่ไว้วางใจลูกน้องต้นหลังก็พออารมณ์เย็นขึ้นนะก็พูดคุยกับลูกน้องนะด้วย อ, อารมณ์ที่เย็นขึ้นนะความสมาธิกับลูกน้องก็ดีขึ้นแล้วก็ได้สังเกตสังกาลูกน้องนะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ก็มอบหมายงานให้ลูกน้องเพิ่มขึ้นด้วยแต่ก่อนก็อย่างที่ว่านะขนาดลูกนี่ตัวเองยังห่วงงานเลยไม่ไม่ให้ไม่ให้ลูกตัดสินใจไม่ให้รู้รับผิดชอบตอนนี้กระจายงานให้ลูกแล้วตอนหลังก็กระจายงานให้ลูกน้องเพราะว่ามีเวลาว่างมากขึ้นนะมีเวลาว่างมากขึ้นเครียดน้อยลงพอมีเวลาว่างมากขึ้นก็นึกถึงพ่อนะเพราะว่า ตัวเองเนี่ยพ่อก็แก่แล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีเวลาไปเยี่ยมพ่อเลยก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันนะแต่ก็มักจะบอกพ่อว่าไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาจริงนะแต่ตอนนี้เริ่มมีเวลาแล้วนะก็เลยไปเยี่ยมพ่อนะพาพ่อไปเที่ยวพ่อเคยบอกลูกว่าเมื่อใหญ่ไปเที่ยวกับลูกนะลูกก็ รับปากแต่ไม่เคยทำสักทีแต่ตอนหลังก็มีเวลาพาพ่อไปเที่ยวจริงๆก็มีความสุขนะมีความสุขงานการก็ไปได้ดีสุขภาพก็ดีความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวเช่นลูกพ่อก็ดีขึ้นกับลูกน้องก็ดีเหมือนกันเธอก็แปลกใจมากนะในช่วงเวลาสองสเดือนนีเห็นความเปลี่ยนแปลงนะว่า มันมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธอหลายอย่างทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องจิตใจเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ร่วมรวมเรื่องงานด้วยทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากกิจกรรมเล็กๆนะก็คือเคี้ยวข้าวให้ช้าลงนะมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆบางอย่าง มันสามารถที่จะส่งผลกระทบไปได้มากมายนะอันนี้มันเป็นตัวอย่างเลยนะว่าการทำอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเป็นของดีเป็นเรื่องดนะีเช่นการเจริญสตินะการทํางานอย่างมีสตินะการเคี่ยวข้าวอย่างมีสติเนะี่ย วันละไม่กี่นาทีเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้กว้างไกลนะแล้วก็รอบดานมากเพราะจะว่าไปแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวเนี่ยไม่ว่าเรื่องสุขภาพก็ดีเรื่องจิตใจก็ดีการการความสัมพันธ์มันก็จะมีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาเล็กๆ เ, เช่นการทำอะไรเร็วๆ เ, เรียบๆโด ย, ยที่ไม่มีสติ ทำเรื่องนึงมันก็ส่งผลกระทบอีกเรื่องนึงนะตามมาเป็นลูกโซ่แล้วมันพอมันกลายเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันก็ก่อปัญหาต่างๆตามมามากมายแต่ในทํานองเดียวกันถ้าเกิดว่าเริ่มที่การแก้พฤติกรรมบางอย่างที่มันมีปัญหานะพอเคี่ยวข้าวให้เช้าลงเป็นตนเนี่ยนะเคียวข้าวยังมีสติมากขึ้นไอการพูดการจากก็มีสติมากขึ้นการคิดก็มีสติมากขึ้นแต่ก่อนนี่ ทำงานชิ้นหนึ่งใจก็นึกไปถึงงานอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะเหมือนกับเวลากินข้าวปากก็เคี้ยวแต่ใจก็นึกถึงงานพอนึกแล้วเป็นไงเครียดนะกังวลอาหารอร่อยแค่ไหนก็ไม่รับรู้นะไม่มีความสุขกับการกินอันนี้มันก็ส่งผลไปเรื่อยๆนะสู่พฤติกรรมอย่างอื่นนะไปสู่การนอนไปสู่การพูดไปสู่การตัดสินใจ สิ่งเล็กๆ เ, เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทำนะทาสม่ําเสมอเนี่ยเราอย่าประมาทนะมันสามารถที่จะส่งผลกระทบไปได้กว้างมากทีเดียว <c oughs> การออกกําลังกายก็เหมือนกันนะ <c oughs> เพียงแค่เราพยายามออกกําลังกายทุกวันมันสามารถส่งผลกระทบไปมากมายอันนี้ก็เคยมีการทดลองนะเอาคนอายุประมาณ1 8บแถึงห้าิเนี่ย อันนี้ไม่ใช่เมืองไทยนะเมืองนอกเอามาเข้าคอร์สคอร์สหนึ่งนะก็คือว่าได้มีการออกกำลังกายวันละสองประมาณ2ชั่วโมงนะออกกำลังกายหลายแบบเช่นยกน้ำหนักวิ่งนะหรือว่าแอโรบิกทุกคนที่เข้าคอร์สนี่ก็ต้องนะต้องมาร่วมกิจกรรมนี้ทำไปได้ประมาณ สอสาเดือนเนี่ยก็ เ, เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ใช่แค่สุขภาพดีขึ้นเท่านั้นนะอันนี้มันของแน่นอนอยู่แล้วแต่พฤติกรรมการการใช้ชีวิตนี่ก็เปลี่ยนไปด้วยนะเช่นการกินอาหารขยะมั่งหรือว่าการดูโทรทัศน์นานๆนั่งแช่หรือว่าการกินเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าการจับใจเที่ยวห้างนะแมกระทั่งความเครียดจากการทํางานต่างๆนี่มันก็ลดลง คนที่เข้าคนที่เขาทําการทดลองเนี่ยก็แปลกใจนะไอ้ทําไมให้ออกกําลังกายอย่างเดียวแต่ทำไมมันส่งผลกระทบไปถึงเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องสุขภาพด้วยเช่นเรื่องการบริโภคเรื่องการทํางานรวมไปถึงว่าความเครียดมีน้อยลงนะการใช้บัตรเครดิตก็น้อยลงใช้บัตรเครดิตแบบที่ว่าซื้อตะบัน น, นะนะแล้วก็พบว่าในสี่สุดเนี่ยอ๋อมันเป็นพ่อเหตุเองนะคนที่ออกกําลังกายเนี่ย มันไม่ใช่แค่ออกกำลังกายอย่างเดือนนะมันออกกําลังใจด้วยเพราะว่าคนที่ไม่ค่อยชอบออ ก, กําลังกายเนี่ยก็ต้องเขี่ยวเข็นตนเองนะให้ออกกําลังกายนะพอเขี่ยวเข็นตนเองเนี่ยกําลังใจก็เข้มแข็งขึ้นกําลังใจเข้มแข็งขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้สามารถจะทำสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่เห็นเห็นควรได้คือคนเราเนี่ยก็รู้นะว่า อาหารขยะไม่ดีนะหรือว่าการการจับใจ่ายใช้สองการจับใจ่ายใช้สอยมากมายเนี่ยมันไม่ดีนะมันทำให้เป็นนี่เป็นศินนะรู้นะแต่ห้ามใจไม่ได้อย่างที่มันมีคำพูดนะว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ดีชั่วรู้หมดเนี่รู้เนี่ยคือรู้ด้วยสมองรู้ด้วยเหตุด้วยผลแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่มีกำลัง ใจไม่มีกำลังที่จ ะ, ะบังคับให้ทำอย่างที่เห็นดีเห็นงามอย่างที่รู้ว่าดีกายดูยกันใจก็ไม่มีกำลังที่จะหักห้ามไม่ให้ทำในสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่ชั่วร้ายนะอย่างเช่นหลายคนก็รู้ว่ากินเล่าไม่ดีนะแต่ว่าห้ามใจไม่ได้บางคนก็รู้ว่ามีกิ๊กไม่ดีนะมันห้ามใจไม่ได้การเที่ยวห้างช้อปปิ้งเนี่ยก็รู้ว่าโมัน ทำบ่อยๆมากๆเนี่ยมันไม่ดีแต่ก็ห้ามใจไม่ได้สักทีแต่พอได้เข้าคอร์สเนี่ยนะออกกาลังกายทุกวันวันละสองชั่วโมงมันต้องเคี่ยวเข็นจิตใจของตัวเองเคี่ยวไปเคี่ยวมาจิตใจก็เข้มแข็งรู้จักที่จะทําให้มีกําลังนะในการที่จะเคี่ยวเข็นตนเองเนี่ยให้ทําสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่มีประโยชน์นะ แต่ก่อนต้องมีคนมาบังคับนะให้ออกกำลังกายนะแต่พอทําเป็นนิสัยแล้วนอกจากการออกกำลังกายทําโดยอัตโนมัติและไม่ต้องมีใครบังคับแล้วเนี่ยแมย่งทำให้ไอ้เรื่องพฤติกรรมการบริโภคการใช้ชีวิตเนี่ยสามารถจะควบคุมตนเองได้ดีขึ้นนะอะไรที่ดีอะไรอะไรที่รู้ว่าดีอะไรที่รู้ว่ามีประโยชน์ก็สามารถบังคับใจนะให้ทำสิ่งนั้นได้ อันนี้เรียกว่าเกิดกาลังใจนะกำลังใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงาการที่มีคนมาสนับสนุนมาชมแต่หมายถึงการที่มีจิตเนี่ยมันมีพลังนะในการที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะส่วนใหญ่คนเราเนี่ยมักจะทำสิ่งที่ถูกใจนะแต่สิ่งที่ถูกต้องเนี่ยทำไม่ไหวนะหรือไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่เพราะว่ารู้นะรู้ว่ามันถูกต้องแต่ว่า บางคับใจไม่ได้บางอย่างก็รู้ว่ามันไม่ดีนะแต่หักห้ามใจไม่ได้นะแต่พอได้ออกกำลังกายทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยออมันมันก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ด, ด้านอื่นตอนนั้นเนี่ยสิ่งเล็กน้อยเนี่ยนะถ้าว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าอย่าอย่าอย่ามองข้ามนะว่าไม่สำคัญนะเมื่อทำแล้วเนี่ย ทำทุกวันเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบนะต่อการใช้ชีวิตของเรานะในเรื่องอื่นๆได้มากมายเรื่องการจริญสติก็เหมือนกันนะเราจริญสติทำเวลา5นาที10นาทีนะแต่พยายามทำทุกวันทำทุกวันการทำสมาธิก็เหมือนกันทำทุกวันทาทุกวันนะมันก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ อย่างที่อาจารย์ซูริลเล่เมื่อสองสมวันก่อนนะคนที่ติดเหล้านะเพื่อนชวนมาหามากราบหลวงปูด่ดูเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยให้เลิกศีลให้สมาทานศีลนานแล้วก็ทําสมาธิด้วยเขบอกว่าทําได้ยังไงจะรักษาศีลไดงไงทําสมาธิได้ยังไงยังกินเหล้าอยู่เลยเถี ย, ง, ยงเพื่อนหลวงปู่ดูก็อยู่ด้วยก็เลยบอกว่าแกจะกินเหล้า ก, ก็เป็นเรื่องของแกข้าไม่ว่าอะไร แต่ให้แกทําสมาธิให้ข้าเวลาหนาทีเท่านี้ก็พอหนาทีเท่านั้นแหละนะไม่ได้มากมามายอะไรเขาก็เลยคิดว่าเออทําได้ก็เลยรับปากหลวงปู่ดูพอรับปากไปแล้วเพราะว่าทําตามที่พูดนะทำตามที่ได้รับปากเอาไว้นั่งสมาธิเสร็จเพื่อนชวนไปกินเหล้าก็ไปนะยังไปยังกินเหล้าอยู่นะแต่ก็นั่งสมาธิไม่ขาดเลย ทำทุกวันทำทุกวันบอกว่าทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยก็เห็นผลนะใจเริ่มสงบบางวันกําลังนั่งทําสมาธิอยู่เพื่อนชวนมากินเหล้าไม่ไปนะเพราะยังทําไม่เสร็จแต่ก่อนนี่เพื่อนชวนก็ไปเลยนะเพราะว่าใจมันไปอยู่แล้วแต่พอทําสมาธิไปนะจิตใจก็เย็นแล้วก็มีสติมากขึ้นสามารถที่บังคับจิตนะไม่ให้ทําตามอารมณ์ได้ อยากไปก็อยากนะแต่ว่าต้องนั่งสมาธิให้เสร็จก่อนนะไปประมาณตอนหลังเนี่ยนะนั่งสมาธินานขึ้นนั่งเสร็จไม่ไปนะเพราะว่าสุาสมาทิ่มันดีกว่ากินเหล้านี่รู้สึกเลยนะว่ามันมีผลเสียต่อจิตใจนําให้จิตใจมองทำให้หนักอึ้งเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างนั่งสมาธิกับการกินเหล้า ความสุขจากสมาธิมันประเสริฐกว่าการความสุขจากการกินเหล้าเยอะนะก็เลยในสุดนะงดเหล้าได้เลิกเหล้าได้ถ้าไม่พอแนละ้วตอนหลังก็ออกบวชนะนะตัดสินใจบวชซะเลยนะจากศีลที่เคยรักษาประกอบพ่องกระแพงศีลห้า ย, ยังไม่ครบเลยนะอาจจะทําได้แค่ศีลสามหรือว่าศีลสี่ตอนหลังก็สามารถจะทํา ได้มากกว่านั้นนะศี227ก็สามารถจะรักษาได้อาจจะไม่ครบถึง227นะแต่งน้อยก็200ข้อนะอันนี้มันก็เริ่มต้นนะจากสมาธิแค่วันละหนาทีให้ความดีไม่เพียงเล็กน้อยนะี่ยอย่าประมาทนะเหมือนกับหยดน้ำเนี่ยหยดน้ำหยดเล็กๆนะรวมกันหลายหยดนี่มันก็กลายเป็นลำทาน แล้วจากลาธาก็กลายเป็นแม่น้ําแล้วจากแม่น้ํานี้ก็สามารถที่จะเติมมาหาสมุทรได้อย่างที่เวลาเราทําบุญเนี่ยนะเราทําบุญให้ทานเนี่ยพระก็จะให้พรขึ้นต้นด้วยคำว่ายะถาบริวาหาห่วงน้ําที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดห่วงน้านี่มันเป็นห่วงไม่ได้ใหญ่โตเลยนะแต่มันสามารถทําให้ทะเลมาหาสมุทรเนี่ยบริบูรณ์ได้ แล้วห่วงน้ำนี่มาจากไหนพวกน้ำก็มาจากน้ำหยดเล็กๆนะที่รากที่ต้นไม้แต่และต้นยังค่อยๆ ค, ย ค, ย ค, ยคายออกมานะพวกเรานี่ถ้าเราไปดูต้นกำเนิดของแม่น้ำนะเช่นเจ้าพญานเนี่ยเราก็รู้ใช่ว่ามันเกิดจากปิงวางยมนานแต่ถ้าเราต่อไปดูว่าปิงวังยมนาศมาจากไหนนะก็เพราะว่ามันก็มาจากต้นน้ำนะมาจากลำธารสายเล็กๆ ที่มีต้นกําเนิดจากภูเขาลองไปดูว่าลำธารสายเล่ยๆนี่มาจากไหนนะมันก็มาจากต้นน้ำในป่าในป่าลึกแล้วถ้าเราไปดูต้นน้ำเนี่ยมันก็เกิดจากน้ำชลระยุท์ลประยุท์ที่มันค่อยๆซึมนะซึมมาจากดินเรียกว่าต้นไม้เนี่ยมันค่อยๆปล่อยน้ำออกมาต้นน้ำเนี่ยมันเราไปดูแล้วเราจะไม่น่าเชื่อล้วโอ้มันมันเล็กๆนะ ต้นน้ำทั้งหลายนี่มันเล็กๆนะแต่มันกระจาย ก, กระจายเกิดไปโอยิน น, นนะโดยิน น, นนี่ก็เป็นเป็นต้นกําเนิดของเจ้าพยาก็ว่าได้นะเพราะว่าแม่น้ําสายสําคัญเนี่ยที่ก่อให้เกิดเจ้าพยาเนี่ยก็มาจากโดยถน น, นต้นน้ำนี่มันที่โดยิน น, นเนี่ยแช่เล็กๆนะแต่ว่ากระจาย ก, กระจายไปทั่วเมื่อเราดูางไกลเนี่ยต้นน้ําที่พูหลงเนี่ยนะมันก็ มันก็มาจากนะก็มีคล้ายๆอย่างที่ว่านะเป็นดินแฉะชื้นๆนะมันก็มาจากน้ำชลยดชลิยด ท, ท, ที่ค่อยๆไหลามาซึมมาตามดินแล้วก็กลายเป็นลำพะทาวแล้วจากลำปะทาวก็กลายเป็นแม่น้ำชีนะให้ความดีที่เราทำเนี่ยนะไม่ใช่แก้การทำบุญให้ทานอย่างเดียวนะแต่รวมถึงว่าการทำ อะไรด้วยสตินะกินข้าวอย่างมีสติถูฟันอย่างมีสตนะิอาบน้ำอย่างมีสติเวลาเดินไปทำงานนะขึ้นตึกก็เดินอย่างมีสติอาจจะหลงบ้างหลุดบ้างแต่ทำทุกวันนะวละเล็กเวละน้อยแต่ละกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอาจจะมีสติแค่สิบเปเซ็นต์ แต่ว่าหลายกิจกรรมทำอย่างมีสติรวมๆกันแล้วมันก็เยอะนะเสร็จแล้วมันก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจได้การเจริญสติเนี่ยบางครั้งเนี่ยเปรียบได้เหมือน ก, การเติมน้าให้เต็มด้วยกระชอนนะเติมน้าให้เต็มแก้วด้วยกระชอนอันนี้เป็นอันนี้ยืมคำโอปมาประมาณมาจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะ อาจารย์อิชิอิอาจารย์อิชิอินี่เป็นมาสอนที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเป็นคนที่ไม่จบปริญญาตรีมาวันไรไหนเลยนะแต่มีความรู้ด้านภาษาดีมากทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสทั้งอิตาลีภาษาโบราณเช่นบาลีสันสกฤตนะเทวนาครีนี่ก็รู้นะภาษาไทยไม่ต้องพูดถึงนะแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประวัติศาสตร์นะ ไทยเนี่ยที่มีผลงานที่คนยกย่องความรู้ด้านอื่นความรู้ด้านปภาษาของประเทศอื่นก็มีคนก็ชมว่าใจารชเนี่ยเป็นอัจฉริยะด้านภาษาซึ่งเป็นหนึ่งในความสามารถหลายอย่างของท่านท่านบอกว่าไม่ใช่อัจฉริยะเลยที่ผมรู้ภาษาเยอะเนี่ยมันเพราะเพราะว่าความเพียรอาจารย์อิชิเขาบอกว่าเนี่ยเ ว, เวลาเวลาเรียนภาษาต่างประเทศนะ ต้องเพียรพยายามมากนะมันเหมือนกับการเติมน้ําให้เต็มแก้วด้วยกระชอนพผืเราคงเคยเห็นกระชอนนะัหรือนึกภาพกระชอนออกนะกระชอนที่ทําด้วยผ้านะกว่ามันจะเติมให้ให้น้ําเต็มแก้วเนี่ยมันนานแค่ไหนเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยนะต้องเปิดติดเปิดพจนานุกรมเปิดแล้วเปิดติดแค่คําเดียวเนี่ยเปิดเป็นร้อยครั้งเปิดเป็นหลายร้อยครั้งถึงพันครั้งถึงจะจำเข้าหัวได้ อาจารย์ยิชเรียนภาษาต่างประเทศแบบนั้นแหละคือเรียนโดยอาศัยความเพียรพยายามแต่ว่าทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญพู้จัดเจนด้านภาษาไม่ใช่แค่ภาษาเดียวหลายภาษาซึ่งก็เป็นแค่ความสามารถด้านหนึ่งของท่านนะด้านประวัติศาสตร์ด้านสังคมวิทยาท่านก็มีความรู้มากอันนี้เป็นเรื่องความเพียรนะที่ทำบ่อยๆทําทุกวันทําทุกวั น, ท, ววนทํำทีละนิดทีละหน่อย การเจริญสตินะมันก็ไม่ต่าการเรียนภาษาต่างประเทศนะคือต้องอาศัยสติเหมือนกันนะเราเรียนภาษาต่างประเทศเราเอาศัยสติในการที่จะระลึกว่าอ๋อไอ้คำ น, นี้มันแปลว่าอะไรในภาษาไทยนะ discourse เนี่ยจำไม่ได้คืออะไรต้องใช้เวลาสัหกหน่อยจึงจำได้อ d ิสกอร์ส์มันแปลว่าคําพูดบทสนทนานะแต่จําไม่ได้เนี่ยต้อง เปิดบ่อยๆเปิดดี บ, บ่อยๆเนีเป็น10เป็นร0อยครั้งการเจริญสติขึ้นมาการที่จะรู้กายรู้ใจเนี่ยนะมันต้องอาศัยการทำ บ, บ่อยๆก็คือฝึกให้มีสติรู้กายรู้ใจ บ, บ่อยๆเริ่มจากการรู้กายยกมือนะยกมือทําไป10ครั้งเนี่ยรู้ตัวว่ายกมือแค่ครั้งเดียวบางคนทําไปร้อยครั้งก็รู้ว่ายกมือแค่ครั้งเดียวเพราะที่เหลือเนี่ยใจลอย แต่ว่าทำไปบ่อยทำไปบ่อยยกสิครั้งก็รู้ประมาณสองครั้งทําอีกทําอีกทําไปเรื่อยๆนาะยก10ครั้งก็รู้3ามครั้งนะในสุดนี่ก็รู้เนี่ยเกือบจะสิบร้อยทั้งร้อยนะอันนี้เรียก ว, ว่าสติมันพัฒนามากขึ้นจากการที่ทําซ้ําๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องสตีอยงเดียวนิสัยอย่างอื่นด้วยก็เหมือนกันนะการมองแง่บวกหลายคนก็รู้ว่าการมองแง่บวกที่เป็นของดีนะ แต่เวลาเจออะไรมองลบทุกทีเลยนะเจออะไรนี่เจอสิ่งที่มากระทบก็เป็นทุกทุกทีหงุดหงิดทุกทีเพราะว่าเห็นแต่ลบนะแต่ว่ามันต้องฝึกบ่อยฝึกบ่อยฝึกมองแง่บวกบ่อยเช่นรถติดมีข้อดีอย่างไรบ้างนะเพื่อนไม่มาตามเพื่อนมาสาย ม, มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะหรือว่าแดดร้อนฝนตกเนี่ยดินชื้นแฉะเนี่ย มันมีประโยชน์อย่างไรบ้างเพื่อนเขาวิจารณ์เราเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้าง เ, าเจ็บป่วยมีข้อดีอย่างไรบ้างนะพอมองแบนี้บ่อยบ่อยบ่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยการมองบวกจะง่ายขึ้นนะจะเห็นจะมองบวกได้เป็นอัตโนมัติไอ้ลบก็ยังเห็นอยู่นะแต่ว่าเห็นด้านอีกด้านหนึ่งของความจริงที่มันเป็นบวกมองบวกนี่ไม่ได้หมายถึงการ หลอกตัวเองนะหรือว่าการปรุงแต่งนะแต่มันคือการเห็นความจริงในอีกมุมหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นในทางเดียวกันคนที่มองบวกบ่อยๆนี่บางทีก็ต้องมองลบบางนะมองลบหมายถึงมองในเชิงวิจารณ์ว่าเออมันมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขอย่างไรบ้างหลายคนมองบวกกับตัวเองมากนะจนกระทั่งมองไม่เห็นข้อบกพร่องตัวเองก็ต้องมองเห็นข้อบกพร่องตัวเองบ้างนะคือวิพากวิจารณ์ตัวเองบ้างมันจะได้มีการพัฒนา แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีปัญหานะเรื่องคนที่อมองลบอ่ะส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการมองบวกคือมองไม่เป็นนะถ้ามองบวกบ่อยๆนันก็จะเห็นนะเอออะไรที่เกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นนะอย่างน้อยก็ดีที่มันไม่แย่ไปกว่า น, นี้นะหายร้อยบาทก็ดีเหมือนกันนะดีที่ไม่ได้หาย1้อยไม่ได้หายพันบาทหรือโทรศัพท์ไม่หายหรือว่าหายร้อบาทก็ดีเหมือนกันนะฝึกให้เราไม่ประมาทนะฝึกให้เราเนี่ย รู้จักปล่อยวางแต่ก่อนนี่แค่แม่ค้าทอนเงินขาไปบาท2บาทนี่คิดแล้วคิดอีกนะเสียดายนะไม่รู้จักปล่อ ย, ไ ม, อยไม่รู้จักวางแต่ตอนนี้ฝึกนะให้ปล่อยวางแม้กระทั่ง เ, เงินหายร้อยบาทพยายามหาเท่าไหร่หาไม่เจอก็ปล่อยวางนะมันก็ฝึกการปล่อยวางได้หรือฝึกให้เรารู้จักไม่ประมาทนะให้รู้จักละเอียดละอ่ทีทวนก็ได้นะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะฝึกได้ในชีวิตประจําวันของเรานะไม่เป็นต้องเข้าวัดก็ได้ไม่มีเวลาเข้าวัดไม่มีเวลาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมก็ไม่เป็นไรนะอย่างนักธุรกิจหญิงคนที่ว่านี่ก็ไม่ได้เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะแต่เขาฝึกตัวเองนะฝึกด้วยความตั้งใจนะฝึกอย่างจริงจังมันก็ขอให้เกิดความเปลี่ยนแปลง กับตัวเองได้มันเริ่มต้นจากการมีนิสัยใหม่กันและจากนิสัยใหม่นี้ก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดิงใัอีกมากมายพวกเรานี้เมื่อกลับไปนะกลับไปบ้านกลับไปที่ทํางานเนี่ยลองลองเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองสัก1เรื่องนะไม่ต้อง2เรื่องก็ได้ไม่ต้อง3เรื่องก็ได้เอาแค่1เรื่องนะอาจจะเป็นเรื่องการบริโภคนะหรือเป็นเรื่องการ ใช้ชีวิตบางอย่างลดละเลิกบางสิ่งหรือว่าทำสิ่งดีๆบางอย่างนะและทำทุกวันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเริ่มต้นจากทำน้อยๆแต่ว่าตั้งใจทำทุกวันแล้วเชื่อรือว่าความเปลี่ยนแปลงนะต่อชีวิตของเรานะมันจะเห็นแล้วก็ปรากฏชัดในที่สุดชาติ็บวเท่านนี้นะครบ